บริโภคกรรมสุขอย่างอิสระชนรู้จักจัดรู้จักใช้ขยายประโยชน์สุขก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นอรยะสาวกดังที่กล่าวแล้วว่าถ้าเป็นคนมีนิสรณะปัญญาบริโภคกรรมสุขหรืออามิสุขนี้ด้วยปัญญารู้เท่าทันรักษาจิตใจให้เป็นอิสระได้ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุและกินใช้กรรมวัตถุด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันนั้นโดยเข้าใจความเป็นไปได้ในทางที่จะทำให้ดีและมองเห็นช่องที่จะเสียหายเกิดโทษรู้จักจัดการวัตถุและกิจการให้เกื้อกูลเป็นคุณก่อเกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่คนใกล้ชิดข้างเคียง แกบรรดาหมู่ชนในความดูแลรับผิด ช, ชอบแกคนร่วมงานร่วมกิจการคนในวงการตลอดจนคนในสังคมทั้งหมดพร้อมทั้งตระหนักในการที่จะนำทั้งตนและผู้อื่นให้พัฒนาสูงขึ้นไปในอริยมรรคถ้าอย่างนี้ก็เป็นบุคคลที่ท่านถือว่าเป็นอริยสาวกสำหรับพระสงฆ์หรือชาววัด ผู้พึงหมายความสุขอิสระภายในที่สูงขึ้นไปจะได้ยินท่านสอนให้ละสละกรรมให้ปลดเปลื้องตัวพ้นไปจากวัตถุทั้งหลายแต่สําหรับคฤหัดชนหรือบรรดาชาวบ้านซึ่งในบาลีคําเรียกชาวบ้านมีมากมายเช่นคฤหัตขหัดขี่กามโมโควีสาคารอาคาริกอาคาริกเคหะวาสีครเมสี ครวาสีส่วนคำว่าคราวาสหมายถึงการครองเรือนไม่ใช่ตัวตนที่ครองเรือนในกรณีชาวบ้านเช่นนี้ท่านไม่ได้มาสอนเน้นให้เว้นกามอย่างนั้นแต่ท่านมุ่งสอนให้ปฏิบัติจัดการกับการเสบบริโภควัตถุและการอยู่กับกาลมาสุขให้เป็นไปด้วยดีอย่างที่ว่าให้ห่างโทษภัยและให้เกื้อกูลเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางมากมาย และสูงที่สุดแน่นอนว่าปัญญารู้ทางรอดที่เรียกว่านิสรณะปัญญานั้นย่อมเป็นแกนนำสำหรับชีวิตของขรือหัดหรือสาขารชนทั้งในการที่จะบริหารกามพภคะให้ปลอดภัยไร้โทษห่างการเบียดเบียนแต่ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลดังว่าแล้วและในการที่จะชี้นำให้ก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตขึ้นสู่ประโยชน์สุ ที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปท่านจึงเน้นย้ำการใช้ปัญญานี้อยู่เสมอในการเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ทั่วทันในสามจุดหลักคือคุณโทษทางออกหรือจุดเด่นข้อดีส่วนเสียข้อด้อยและจุดหลุดรอดออกไปเป็นอิสระซึ่งเป็นภาวะที่เต็มสมบูรณ์พ้นจากข้อดีข้อด้อยที่ยังสัมผัสกันนั้น ในทุกขั้นตอนที่ไปถึงตามปกติสำหรับชาวบ้านทั่วๆวไปซึ่งพื้นความรู้ความเข้าใจยังไม่มีหรือไม่มากและยังไม่ได้คิดมุ่งที่จะสละละบ้านเรือนออกมาพระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยการแสดงธรรมตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปตามลำดับดังที่เรียกว่าอนุปุปพิกถาคือเทศนาหรือคำบรรยายธรรมที่แสดงสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลาดับ อนุปปพิกถานั้นประกอบด้วยคำบรรยายย่อย5ตอนแบ่งเป็นสามคถากับสองความสืบเนื่องคือกถาที่หนึ่งฐานนักคาถาคำบรรยายเรื่องการให้การสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลกันกถาที่สองสีลักคาถาคำบรรยายเรื่องความประพฤติดีงามไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อความเดือดร้อนเวรภัยในสังคม ต่อด้วยกถาที่สามสักคกถาคําบรรยายว่าด้วยสวรรค์คือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งมีความสุขด้วยการมวัตถุทั้งหลายให้เห็นถึงชุมชนจนถึงหมู่เทพท้ายเทวาที่อยู่กันดีมีความสุขในระดับของการมาสุขนั้นนี่ก็คือผลจากทานและศีล น, นั่นเองเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดในตอนนี้ เป็นหลักคำสอนให้คนรับผิดชอบสร้างสารรค์ชีวิตและสังคมให้อยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์ในระดับของกามสุขกถาคือคำบรรยายธรรมแท้ๆมีสมเรื่องนี้และนี่ก็คือการนำชาวบ้านหรือเหล่าข้าชนผู้ฟังเหล่านั้นมาถึงจุดหมายสูงสุดที่พวกเขาดิ้นรนเพียรพยายามสแสวงหาให้เห็นว่าเมื่อดำเนินชีวิตประพฤติปฏิบัติตามสองถาแรกแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์ สเสวยการมโภคะอย่างพรั่งพร้อมด้วยดีอย่างที่ทรงบรรยายในคาถาที่สามเป็นอันมลุความมุ่งหวังสมดังที่หมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดแค่นี้ต่อจากนั้นพอพร้อมได้ที่พระองค์ก็ตรัสต่อไปถึงการ ม, มาทีนบให้เห็นว่าการมาสุขที่พึ่งพาอาศัยวัตถุสิ่งเสบบริโภคทั้งหลายนั้นถึงจะดีเลิศ ด, ดังที่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนมีข้อเสียข้อบกพร่อง ที่เปิดช่องและเป็นปัจจัยให้เกิดโทษทุกความเสียหายต่างเมื่อผู้ฟังมองเห็นและเข้าใจดีแล้วอยากหาทางออกก็ทรงแสดงต่อไปถึงเนกคำมานิสงคือการมีชีวิตที่ปลอดโปรง่งไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นและมีความสุขอย่างอิสระที่เป็นคุณสมบัติประจำอยู่ในตัวเองทาให้จิตใจของผู้ฟังเปิดโล่งรับและใยที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ถึงความสุขที่เป็นเนรามิตที่ว่าสุขได้อย่างดีโดยไม่ต้องมีไม่ต้องอาศัยกามนั้นอนุปุพิกถานี้แท้จริงในพระไตรปิฎกและในคมภีรทั้งหลายมีเรื่องย่อยที่เรียกว่าคถาเพียงสามคือฐานกถาศีลกถาและสักคกถาเท่านั้นส่วนกามาทีนบและเน่ฆัมมานิสง์ไม่มีคถาต่อท้าย ทำนองเป็นเทศนาสืบเนื่องโดยปรารบาระในสามถาแรกโดยเฉพาะสักคกถาเพื่อชี้ทางออกสู่การก้าวถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปแต่ในตำราสมัยหลังนี้มีการตั้งคำสับขึ้นเป็นกถาที่สและที่ห้าว่ากามาทีนวะกถาและเนกขมานิสังสกถาแม้แต่ในเล่มคำพี ทั้งพระไตรปิฎกฉบับอักษรพม่าและอัตถกถาดีกาก็มีการปรุงคำว่ากามาทีนวัคขาตั้งขึ้นเป็นหัวข้อแต่ไม่มีเนกคำมานิสังสักถาคือในเนื้อคำพีเองไม่มีคำที่ปรุงขึ้นนั้นนี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ฟังเป็นการเตรียมจิตของเขาให้พัฒนาขึ้นมาทีละขั้น อย่างที่พูดกันมาในภาษาเก่าว่าฟอกอัธยาศัยให้หมดจดเป็นชั้นๆดังที่พระไตรปิฎกบรรยายความตอนนี้ว่าครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเหล่าผู้ฟังนั้นมีจิตพร้อมนุ่มนวลไร้ความคุณน่องคล่องโปรง่งร่าเริงผ่องใสดีเหมือนดังผ้าที่สะอาดหมดจดพร้อมที่จะรับนายอม ก็ทรงแสดงอริยสัจว์4ประการนี่คือเมื่อใจเขาเปิดแล้วก็ใส่ปัญญาให้เขาเข้าถึงสัจธรรมมองเห็นความจริงของชีวิตด้วยตัวเองจนเกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมที่เรียกว่าธรรมาจากสุกลายเป็นอริยชนตั้งแต่บุคคลโสดาบันขึ้นไปคนที่มีธรรมาจากสุเป็นอริยชนอย่างนี้แล้ว ส่วนมากก็อยู่เป็นครือขัดครองบ้านครองเรือนปกครองหมู่ชนหรือชุมชนต่อไปอย่างบริโภคกามโภคะเสพกามาสุขแต่เป็นการมาสุขที่มีนิรามิสุประสานพร้อมกันไปด้วยอันเป็นหลักประกันที่จะไม่ให้กามาสุขก่อโทษความเดือดร้อนเสียหายมีแต่เสริมสร้างประโยชน์สุขและความดีงามทำให้อริยชนนั้นดาเนินชีวิตเป็นหลักและเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและสังคม และแน่นอนว่าจะ ก, ก้าวหน้าสูงขึ้นไปในอระะารยมรณาไม่มีการถอยหลังตกต่ำลงมาเป็นอันว่าการมาสุขหรือสามิตรสุขที่อริดอร่อยสู้ซาซาบซ่านหวานชื่นนี้แม้จะเป็นความสุขที่ปรากฏโดดเด่นเป็นที่ปรารถนากันยิ่งนักแต่เป็นความสุขที่พึ่งพาสิ่งเสพขึ้นต่อวัตถุหรือของนอกตัวไม่เป็นอิสระไม่เป็นไทยแกต่ตน ต้องยึดถือครอบครองเอาเป็นของตัวพร้อมกันนั้นเองในขณะที่การเสพการมาสุขนั้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพร่องอยู่ตลอดเวลาต้องหาต้องเอาและแต่ละคนมุ่งมั่นทยานหาให้ยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งเสพที่ดีเยี่ยมยอดปรารถนานั้นมีไม่เพียงพอพาให้เหล่าผู้เสพคอยเพ่งเล็งจ้องกันเป็นไปกับความหวาดระแวง มีการขัดแย้งแก่งแย่งช่วงชิงต้องคอยหงแหนปกป้องเป็นเหตุนำมาซึ่งการเบียดเบียนถ้าไม่รู้จักควบคุมยับยัง้งก็จะขยายการเบียดเบียนให้กว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเกิดความเดือดร้อนทุกภยัยขยายระดับและขอบเขตออกไปจนกระทั่งเกิดความพินาศย่อยยับไม่จบสิน้นยิ่งกว่านั้นถึงแม้ได้ครอบครองและมีไว้ให้ได้เสพสมใจที่มั่นหมาย แต่สิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของนอกตัวอาจลุดลอยสูญหายไปได้แม้ไม่สูญหายก็ไม่ได้อย่างใจไม่เป็นไปตามใจของตัวกลับกลายไปเสียบ้างมันเองเป็นไปอย่างที่มันก็ไม่ปรารถนาบ้างและไม่ว่าจะอย่างไรก็มีอันจะต้องโปรนแปรเสื่อมสลายไม่อาจคงอยู่อย่างนั้นได้ยั่งยืนตลอดไปและก็จะต้องพัดพรากจากกันไปในที่สุดอย่างแน่นอน พร้อมกับความสุขที่มีก็จึงพ่วงมาด้วยความห่วงกังวลหวั่นใจแม้เมื่อเสพอยู่มีความสุขสมหมายนอกจากไม่รู้จักเต็มอิ่มจริงแล้วในความสุขนั่นเองที่ไม่เต็มอิ่มนั้นก็ไม่ปลอดโปร่งโล่งล้วนเหมือนมีกากมีเสี้ยนมีเศษมีหนามมีความแปดเปื้อนมีที่ปูดที่โปง่งระเกะระกะคอยรบกวนรวนเรา้าให้เกิดความเคืองระคายเป็นสุขรคนทุก ข้างหน้าก็หวาดพร้อมไปกับที่หวังข้างหลังก็หวนหาอะไรเหลือทิ้งไว้แต่ความเสียดายไม่เป็นความสุขที่ผ่องใสเบิกบานหมดจดล่งล้วนทั่วตลอดอย่างแท้จริงส่วนความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปเป็นความสุขอิสระอยู่ภายในไม่ขึ้นต่ออะไรอื่นเป็นไทยแก่ตัวหมดจดผ่องใสไม่เป็นพิษภัยแก่ใคร แต่เมื่อตัวคนที่มีที่เสวยสุขนั้นเองยังมีกิเลสก็ยังอาจสยบติดเพลินในความสุขนั้นเป็นเหตุให้เกิดความประมาทปล่อยปละละเลยกิจหน้าที่สิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำเรื่องราวที่พึงเอาใจใส่รับผิดชอบและประโยชน์ของส่วนรวมก็เสียหายและอาจจะเวียนกลับมาหาสามิตรสุขอีกก็ได้อีกทั้งมัวเพลินก็ลืมไม่เพียรพยายามปฏิบัติต่ตอไปเพื่อกาจัดเหตุแห่งทุก คือกิเลสอันเป็นเชื้อที่ยังเหลืออยู่จึงยังบกพร่องไม่ดีงามสมบูรณ์ดังนั้นทั้งการมาสุขหรือสามิสุขก็ตามนิรามิสุขก็ตามของผู้ยังมีกิเลสก็ยังไม่เป็นอิสระแท้จริงยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีตัวตนที่ติดพันยังไม่สิ้นเชื้อทุกไม่หมดมูลของปัญหาต้องพัฒนาจิตปัญญาต่อไปจนกว่าจะถึงอาสวไข ให้สิ้นกิเลสไร้ทุกข์ไม่ติดในอะไรอะไรและอะไรอะไรก็ฉาบผาไม่ติดเหมือนน้ำไม่เปียกใบบัวตัวอยู่ในโลกแต่ใจอยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขที่ต้องเสวยเวทนาแม้แต่เวทนาภายในที่ละเอียดเป็นความสุขที่ไม่ต้องเสพไม่ต้องเสวยแต่เสวยสุขได้เต็มอิ่มตามปรารถนาเปรียบเหมือนทางร่างกาย เป็นคนที่แข็งแรงสมบูรณ์ไร้โรคไม่มีอะไรรบกวนระคายเคืองปลอดโปรง่งโล่งเบาสงบสว่างเบิกบานสะอาดผ่องใสไร้ทุกเป็นความสุขที่เปี่ยมสมบูรณ์ในตัวของมันเองเมื่อไม่มีตัวตนที่จะติดในอะไรอะไรเป็นอิสระสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนที่ใดไม่ต้องมีอะไรก็เป็นสุขอยู่แล้วเรียกว่า ไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปแม้แต่จะหาความสุขก็ได้แต่ทำเพื่อโลกเพื่อความสุขของมวลชนทั่วทั้งปวงตลอดไปนี่คือมาถึงความสุขสุดท้ายแห่งภาวะจบสิ้นไปแห่งทุกเลยเขตแดนที่ทุกจะเอื้อมาถึงได้เป็นจุดหมายสำหรับทุกคนอย่างไรก็ตามการมาสุขนั้นถึงแม้จะมีส่วนเสียมีจุดอ่อนมีข้อด้อยข้อบอกพร่องอย่างไร มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งและเป็นความสุขที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ยิ่งในเมื่อมันมีศักยภาพที่จะก่อทุกข์ภัยขยายโทษผลร้ายออกไปทั้งแก่ชีวิตและสังคมกดยิ่งต้องเอาใจใส่ที่จะป้องกันและแก้ปัญหารวมแล้วก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการให้ดี พร้อมกับการที่จะต้องคอยปลุกคอยเตือนให้คนไม่ลืมที่จะพัฒนาตนให้ก้าวหน้าสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปการมาสุขนั้นเมื่อบริหารจัดการให้ดีก็เป็นประโยชน์สุขสำคัญที่จาเป็นในขั้นพื้นฐานทั้งที่ยังเป็นของขาดพร่องแหว่งเว้านี่แหละก็ยังเป็นคุณที่ดีแก่ชีวิตและขยายออกไปให้เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังคมให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่านั้น ก็จะเป็นฐานที่ค้ำจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนให้ก้าวขึ้นสู่ประโยชน์สุขที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้พอจัดเป็นระบบจึงปรากฏว่าท่านจัดให้การมาสุขที่บริหารจัดการได้ดีนั้นเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแห่งชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่งคือเป็นอัตถะอย่างหนึ่งโดยเป็นอัตะคือประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายหรือที่พึงลุกถึงให้ได้ เป็นขั้นพื้นฐานเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะแปลกันว่าประโยชน์ปัจจุบันคือประโยชน์ขั้นตาเห็นที่ปรากฏอยู่ต่อหน้ามองเห็นประจักษ์ได้ก็คือการมาสุขหรือสุขทางวัตถุที่พึ่งพาอามิชน์นี่เอง